นิทานเรื่องที่14พระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นลาโสมปลดเวตาลงจากกิ่งเหวียงขึ้นผาดบ่ า, าแล้วเดินย้อนกลับมาทางเดิมครู่หนึ่งเจ้าเวตาลก็กล่าวทําลายความเงียบขึ้นว่า อ, อ้าวราชาทาทางพระองค์ดูจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเที่ยวเดินทางกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบท้นทางหรือก็ยังอีกไกล เกรงว่าท่านจะเบื่อนายค่าจะเล่านิทานสนุกๆให้ท่านฟังอีกสักเรื่องก็แล้วกันณกรุงอโยธยาซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระนารายณ์เมื่อครั้งอวตารลงมาเป็นพระรามในกรุงอโยธยาแห่งนี้มีกษัตริ ย, ย์กปกครองนามว่าพระเจ้าวีระเกตพระองค์ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเรื่อยมาและในเมืองแห่งนี้มีมหาเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ีลูกสาวนามว่ารัตนาวดีเป็นนางสตรีที่มีรูปโฉมงดงามจนเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหลายแต่นางก็ไม่เคยสนใจผู้ใดเลยไม่ว่าชายผู้นั้นจะเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นถึงกษัตรก็ตามถึงกับประกาศว่านางยินดีตายเสียดีกว่าต้องแต่งงานจนวิดาของนางกลุ้มใจมากข่าวนี้โด่งดังไปทั่วแว่นแคว้นในขณะนั้น ปรากฏว่ามีชาวบ้านถูกโจรปล้อนอยู่บ่อยๆพระเจ้าวิระเกตและทหารในปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อเฝ้าระวังและจับกุมโจรเหล่านั้นในคืนหนึง่งพระองค์ได้ถือดาบออกไปเฝ้าระวังโจลบริเวณนอกหมู่บ้านบังเอิญได้เห็นโจรคนหนึ่งพระองค์จึงออกสะกดรอยตามไปแต่ทันใดนั้นโจลผู้นั้นก็หันมาเห็นพระองค์เข้าจะไปใคยวะกล้าดียังไงถึงตามข้ามาเนี่ย เออข้าเป็นโจรเอ้าพวกเบี้ยก็ดีว่าจุดใต้ตำต่อจริงๆเมื่อโจรได้ฟังดังนั้นก็ยินดีที่ได้เพื่อนร่วมขบวนการจึงชักชวนพระเจ้าวิระเกตไปยังที่อยู่ของพวกมันโดยที่พักของโจรผู้นี้เป็นห้องใต้ดินซึ่งอยู่ในป่าลึกถูกประดับตกแต่งด้วยของมีค่ามากมายเจ้าโจรได้เชิญพระเจ้าวิระเกต นั่งลงบนพรมสวยงามและขอตัวไปอีกห้องหนึ่งขณะนั้นได้มีนางทาสคนหนึ่งนำสำรับอาหารมาให้เมื่อนางเห็นพระองค์ก็จำได้ว่าเป็นกษัตริย์เลยรีบทูลให้พระเจ้าวิรเกตรีบหนีไปเพราะเจ้าโจรไม่ไว้ชีวิตพระองค์เป็นแน่เมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็รีบหนีออกไปทันทีเมื่อกลับถึงวังพระราชาก็รีบนำไพร่พลออกมาล้อมรังโจร ฝ่ายโจรเมื่อรู้ว่าความลับแตกก็ออกมาสู้ตายด้วยในโจรได้ไร้หมดอันศักดิ์สิทธิ์ป้องกันตนเองแล้วกวัดแกว่งดาบเข้าฟาดฟัตทหารล้มตายเป็นจํานวนมากพระราชาเห็นเข่าก็ตรงเข้าต่อสู้ด้วยฝีมือดาบอันชำนาญจนสามารถจับโจรได้แล้วพากลับวังประกาศโทษในประหารในวันรุ่งขึ้นวันต่อมาเจ้าโจรก็ถูกนําตัวแห่รอบเมืองก่อนที่จะประหารชีวิตเมื่อขบวนผ่านหน้าบ้านมหาเศรษฐี นางรัตนาวดีบังเอิญมองเห็นโจรผู้นั้นและเกิดตกหลุมรักนายโจรผู้นั้นทันทีนางรัตนาวดีรีบวิ่งไปบอกบิดาของตอนเองว่าท่านพ่อช่วยข้าด้วยข้าพอใจในตัวโจรผู้นั้นโปรดช่วยไถ่ายตัวเขาด้วยเถิดหากท่านไม่ช่วยลูกจะข่าตัวตายบิดาของนางได้ฟังก็กล่าวปลอบใจบุตรสาวว่าลูกเอ๋ยเจ้าพูดอะไรกอนนี้มีชายรูปงามตั้งมาก มีทั้งทรัพย์สมบัติและก็คุณธรรมมาให้เจ้าเลือกแต่เจ้าก็ไม่สนใจใครกลับมาเลือกโจรเป็นสามีถึงแม้บิดาจะคัดค้านเพียงใดนางก็ไม่ยอมปเปลี่ยนใจอ้อนวอนจนบิดาใจอ่อนยอมไปฝ้าพระราชาทูลขอไถ่ตัวนักโทษ ด, ด้วยเงินมหาศาลแต่พระราชาก็ไม่ทรงฟังเพราะโจรผู้นี้ได้ปล้นสะดมประชาชนมาแล้วมากมายและทาร้ายผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน เศรษฐีได้ฟังคำปฏิเสธอย่างนั้นก็ผิดหวังกลับบ้านเมื่อนางรัตนาวดีรู้ข่าวก็ประกาศจะขอตายตามวิ่งรี่เข้าไปยังลานประหารแม้ญาติพี่น้องจะคัดค้านแต่นางก็ไม่ฟังแต่เมื่อนางรัตนาวดีและญาติของนางเดินทางไปถึงก็พบว่าเจ้าโจรก็ถูกเสียประจานใกล้หมดลมหายใจเข้าไปทุกถีแล้ว เมื่อเจ้าโจรเห็นขบวนของนางเดินทางมาก็ได้ไต่ถามจนรู้ความจริงแล้วได้ร้องไห้ออกมาและครู่หนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะออกมาอย่างน่าประหลาดหลังจากนั้นเจ้าโจรก็ขาดใจตายในที่สุดนางรัตนาวดีก็กระโดดเข้ากองไฟเสียชีวิตตามโจรไปท่านใด น, นั้นพระศิวะก็ได้เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในรักของนางจึงได้ประทานพรให้ทั้งคู่กลับคืนชีวิตอีกครั้ง พร้อมกับล้างชีวิตชั่วของโจนให้กลายเป็นคนดีสร้างความดีใจแก่บรรดาญาติของนางรัตนาวนดีเป็นอย่างมากทางด้านพระเจ้าวิรเกศเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงประกาศแต่งตั้งให้โจรผู้นั้นเป็นยอดขุนพลประจํากองทัพและพระราชทานพิ ธ, ธีสมรสให้ทั้งสองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีโอ้ราชาท่านลองทายมาซิว่าเหตุใดโจรผู้นั้น จึงได้ร้องไห้ออกมาตอนแรกแล้วก็หัวเราะ อ, ออกมาในเวลาไล่เลี่ย ก, กันไม่เห็นยากเลยที่โจอรร้องไห้เพราะสำนึกในบุญคุณท่านเศรษฐีที่สละเงินเพื่อช่วยเหลือตนซึ่งน้ำใจเช่นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ทดแทนส่วนที่เขาหัวเราะนั้นน่ยก็เพราะว่าประหลาดใจในตัวนางรัตนาวารีที่สามารถเลือกสามีที่ดีได้มากมาย ถ้ากลับมาเลือกโจรอย่างเขาจิตใจของนางช่างซับซ้อนจนไม่มีใครเข้าใจได้ถึงท่านจะปรีชาแค่ไหนแต่ก็ต้องหลงโกนค่าอยู่ดีตามข้ามาสิเมื่อพระราชากล่าวดังนั้นเวตาลก็ใช้มนุ์ิเศษบรรดาลตัวเองให้หายไปในความมืด กลับคืนสู่ต้นอสโศกดังเดิมจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นยากนักที่จะเข้าใจสิ่งในที่ไม่ดีกลับเห็นเป็นสิ่งดีดังคำที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว